เพราะซ่วมอยู่ห่างจากสาลาที่อาศัยนอนยายไม่ต้องการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจึงเลือกเสียบุญอยู่ที่ใจของเราหนาหลานถ้าเราทำใจของเราให้ผ่องใสอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นยายบอกหลานชายวัย16ขณะเดินไปวัดด้วยกันเมื่อตอนเชา้า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 ประรอดหล่นจากปากโยคยีคนที่ไม่ได้ชานตกลงมาขาหักหลวงพ่อช้างช่วยรักษาให้หลานชายช่วยทบทวนความจําคนเป็นยายจึงเล่าต่อว่าในที่สุดแข่คนนั้นก่อขาหายเดินได้เป็นปกติหลานชายขัดขึ้นว่าคนขาหายจะเดินได้ยังไงละยาย เองจะฟังหรือไม่ฟังยายเริ่มจะมีโมโหฟังครับนิมนยายเล่าต่อได้แล้วคนอายุ8ปค้อน ง, งามๆใส่หลานหนึ่งวงแล้วจึงเล่าต่อมาแค่เกิดคิดถึงบ้านอยากกลับไปป่าหิมพม า, าน จึงอ่อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งแล้วแก่ก่อนเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ป่าหิมพม า, านต์สนุกสนานมีทั้งกิ่นนอนกิ่นนาริมีทั้งต้นมะกะลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปยังบรรณาศาลาขององค์พระเวสสันดรจอมปราดหลวงพ่อช้างถามว่า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 ให้เขาอมแล้วเหาะไปหลวงพ่อช้างบอกถ้าใช้วิธีนั้นละก็ได้แล้วทันนกาะให้ยายไปซื้อประรอดซื้อยาซัด ต, ตำราทำประรอดยังเก็บไว้ที่ยายจนทุกวันนี้แล้วจะหายเองดูยายเปิดเผยความลับก็ตั้งใจว่า จะให้หลานคนนี้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมดจึงต้องบอกกับเขาไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรลุงพ่อช้างท่านให้ยายหรือครับหลานชายถามอย่างสนใจท่านก็ไม่เชิงให้รองแต่บอกให้ยายช่วยเก็บไว้นอกจากตำราแล้วยายยังได้ประรอดที่ท่านทำให้แขกอม แล้วเหาะไปป่าหิมมาพานท่านไปตอนตีห้ากลับมาทันฉันเพนพอดีเอาบะรอดกลับมาให้ยายด้วยบอกว่าพ่อส่งแขกถึงบ้านที่อยู่ในป่าหิมมาพานแล้วท่านก็ขอประรอดคืนส่วนตำราท่านบอกไม่ได้ใช้มันแล้ว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 ฟังยายเล่าแล้วทำให้ผมอยากไปเที่ยวป่าหิมะพานจังหนุ่มน้อยพูดอย่างตื่นเต้นแล้วจึงบอกผู้เป็นยายว่ายายครับผมขอดูตำราทำป ร, รอดกับประรอดที่ทำเสร็จแล้วได้ไหมครับเพื่อผมจะได้ลองทำดูบ้างเด็กหนุ่มสนใจใครรู้เองทำไม่ได้รอกไอหนูถึงจะมีตำรา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 คือการเพ่งไฟเป็นวิธีหนึ่งของการเจริญรญูปฌานหลวงพ่อช้างท่านสำเร็จฌานด้วยการเพ่งไฟท่านจึงทำได้ยายเห็นตอนที่ท่านทำหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจทำไมจะไม่เห็นละ่ะก็ท่านใช้ให้ไปซื้อของ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 ยายถือโอกาสเล่นตัวผมสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนั้นยายสอนกี่หนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถอยคำคนเราถ้าพูดความจริงเป็นเนืองนิดก็ไม่จำเป็นต้องสบทดสาบานจริงไหม จริงครับหลานชายเออออเพราะอยากฟังเรื่องที่ยายเล่าใหม่จริงได้ยังไงคนอย่างยายไม่เคยพูดใหม่จริงเป็นมนุษย์ต้องมีศีลอย่างน้อยๆศีลหาต้องรักษาไวให้ได้คนฟังสะดุง้งหากยายมิทันได้สังเกต จึงเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อช้างท่านเมตตายายเลือกเกินสงสัยว่าชาติที่แล้วยายคงจะเกิดเป็นลูกของท่านเองคิดดูสิไอหนูตอนทำประรอดท่านไม่ให้ใครรู้เลยมียายกับแขกสองคนเท่านั้นที่รู้ตอนเช้า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 ครับเรื่องนี้ผมรับรองได้ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกคนเท่าคนแก่ที่อยู่ไวเดียวกับยายนะ่ะหลงกันหมดแล้วบางคนชื่อตัวเองยังจำไม่ได้แต่ยายของผมความจํายังแจ๋วโดยเฉพาะเรื่องความหลังยายจําแม่นเป็นพิเศษเข้าตำราคนแก่เปี๊ยบเลยเป็นยังไงไอ้หนูตำราคนแก่ที่เองว่านะ่ะ ยายอยากรู้บ้างกินของขมชมเด็กสวยกินกล้วยตอนเช้าชอบเล่าความหลังหนุ่มน้อยพูดอย่างคล่องปากยายนึกเครืองที่ถูกหลานพูดเนบแนมต่อเมื่อพิจารณาทวนทีแล้วก็เป็นอย่างที่หลานพูดจริงๆจึงไม่นึกขัดเคืองแต่ประการใดยายชอบกินมระกับสดาชอบชมลูกหลานว่าสวยเพราะตัวเองแก่แล้ว ยายกินกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งทุกเช้าเพราะเชื่อว่าจะทำให้อายุยืนแล้วยายก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ผมฟังหลานชายถือโอกาสแจกแจงถ้าอย่างนั้นยายไม่เล่าก็ได้ยายพูดงอนๆแปลว่ายายไม่ยอมแก่เล่าเธอครับถึงยายไม่เล่าก็ใช่ว่าจะสาวไปกว่านี้จริงไหมครับ ข้าวต้มลูกสุดท้ายถูกห่อเสร็จเรียบร้อยยายจึงสั่งหลานให้ไปก่อไฟส่วนตัวยายนำข้าวต้มลูกโยนที่ห่อและมัดเรียบร้อยแล้วเรียงลงในปีบ๊บเดี๋ยวก่อนก็ได้ยายเล่าเรื่องปลอดให้จบก่อนแล้วผมค่อยไปทำตามที่ยายสั่งหนุ่มน้อยผัดผ่อนไม่ได้ทำงานกับยายไม่มีคำว่าเดี๋ยว พระท่านสอนเวลาที่สวดมงคลละสูตรว่าการงานไม่ขังค้างเป็นมงคลเองจำไม่ได้เสีแล้วหรือไปลูกไปก่อไฟเดี๋ยวนี้แล้วกดจำไว้นะมีลูกมีหลานถ้าใช้อะไรผัดเดี๋ยวละก่อตีได้เลยถ้าเช่นนั้นยายก็ตีผมสิครับเมื่อกี้ผมผัด เด็กหนุ่มท้าทายยายไม่มีแรงแล้วเอาเธอยายอโหสิให้เองแล้วยายต้องเล่าต่อนะครับผมอยากฟังตกลงเล่าก่อเล่าตอนรอข้าวต้มสุกยายจะเล่าให้เองฟังเมื่อหลานชายก่อไฟเสร็จ ยายจึงสั่งให้เขายกปี๊บบรรจุข้าวต้มลูกโยนขึ้นตั้งตักน้ำใส่ลงไปในปี๊บจนท่วมข้าวต้มแล้วใช้ฝาหม้อปิดปากปี๊บให้มิดชิดยายผมขอดูป ร, รอดกับตำราหลานชายทวงเองจะรีบดูไปทำไมยังไงเสีย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 ก็ไม่ได้สอนให้เรายึดติดในสิ่งเหล่านี้ยายปรามไว้ก่อนตกลงว่ายายจะให้ผมดูหรือเปล่าหลานชายเริ่มจะรำคาญถึงไม่ให้ดูเองก็ต้องไปค้นมาดูจนได้นั่นแหละใจไหมละ่ะยายรู้เท่าทันหนุ่มน้อยจึงได้แต่ยิ้มแยแยพูดเสียงอ่อยว่า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 ไม่เห็นอะไรอยู่ใต้นั้นไม่เห็นมีเลยยายเขาบอกเอามือล้วงก้าไปตาใต้ฐานพระสิยายส่อนไว้ตรงนั้นหลานชายทําตามเขาหยิบได้กระดาษเก่าๆมาหนึ่งม้วนเมื่อคลี่ออกก็พบห้ยันสีแดงห่อวัตถุสิ่งหนึ่งไว้จึงแก้ออกดูสิ่งที่เห็นคือ วัตถุก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือรูปกลมรีส่องแสงวาวับหนักจังเนยยายก้อนก็ไม่โตเท่าไรแต่ทำไมถึงหนักนักก็ไม่ใช่ของธรรมดานน่นะแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำได้ด้วยฤทธิ์ทางใจของสิ่งนี้ยหย่ยเก็บไว้ตั้งแต่สมัยปลัดแผ่นดินเกี่ยวนะ ยายหมายถึงเปลี่ยนราชการคือจากราชการที่สี่เป็นราชการที่ห้าตอนผลัดแผ่นดินนั่นตรงกับพศเท่าไหร่ยายจำได้หรือเปล่าครับจำได้สิไอหนูยายจำได้แม่นเชียวละ่ะพระพุทธเจ้าหลวงท่านกรองแผ่นดินเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดตอนนั้น ยายอายุสิบสามขวบยังไม่รู้ประศิประสาอะไรรอกอาศัยเป็นเด็กทางจำได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันก็จดจำเอาไว้แล้วตอนหลวงพ่อช้างท่านทำประอดยายอายุเท่าไหร่ครับหลานชายถามขณะเพ่งพินิจก้อนวัตถุรูปกลมรีในมือ ก็สิบสะสิพึ่งตัดจุกใหม่ๆแล้วก็กำลังรุ่นๆด่นวนจะเป็นสาวเด็กผู้หญิงนีโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะไอ้หนูพอตัดจุกก็เป็นสาวกันแล้วส่วนเด็กผู้ชายตัดจุกตัดแกละแล้วก็ยังไม่ยอมโตยังเปลือยกายเล่นน้ํากันโคลงค คนอายุ84พูดเหน็บแนมคนอายุ16ก็ผู้ชายแก่ช้านี่ยายโตช้าก็แก่ช้าผู้หญิงโตเร็วก็แก่เร็วไม่เชื่อยายลองสังเกตดูก็ได้ผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเท่ากันผู้หญิงจะดูแก่กว่ายายว่าจริงไหมเอาเถอะเอาเถอะจริงก็จริงดูเสร็จหรื อ, อย่างจะได้เก็บข่าวที่ รีบเก็บทำไมล่ะยายของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้หาดูยากขอผมดูนานๆหน่อยแล้วเขาจึงคลี่กระดาษแผ่นนั้นดูอีกครั้งมีตัวหนังสือเขียนอักษรไทยเต็มหน้ากระดาษนี่ลายมือหลวงพ่อช้างหรือครับโธกแล้วแข่แกเขียนภาษาไทยไม่ได้หรอกไอหนู จะถามอะไรก็ให้มันฉลาดฉลาดหน่อยสิหลานยายอดว่าไม่ได้ผมขอจดไว้หน่อยนะยายจะลองไปทำดูบอกแล้วยังไงละ่ะว่าทำไม่ได้เพราะเองยังไม่สำเร็จฌานไม่สำเร็จฌานก็ทำได้นี่ไงละ่ะท่านเขียนไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จเตโชกสิ์ ให้ใช้ไฟความร้อนสูงแบบที่เขาใช้หล่อพระแทนถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะทำได้สำเร็จถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะแตกเสหมดว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่อยากลองแล้วไม่ใช่เรื่องง่า ย, ายๆเลยยายโดยเฉพาะการเตรียมไฟเอาไว้ผมสำเร็จชานแล้วค่อยทำดีกว่าดีถ้าอย่างนั้นก็เก็บได้แล้วรวมทั้งประลอดก่อนนี้ด้วย เดี๋ยวก่อนเก็บต้องลองอมดูก่อนเอาล่ะนะผมจะเหาะไปหาแม่ละ่ะหนุ่มน้อยจับป ร, รอดใส่ปากกางแขนนั้งสองข้างออกเหมือนนกกลางปีกแต่ปรากฏว่าเหาะไม่ได้จึงคายก้อนวัตถุนั่นออกไม่เห็นเหาะได้เลยยายแถมเหม็นกี่ฟันแขกหึงเลยเขาวิ่งไปถมน้ำลายตรงหน้าต่าง จะให้หอได้ต้องให้ท่านนั่งบริกรรมท่านจะบริกรรมกระทั่งปลอดเปลี่ยนจากสีเหล็กกลาเป็นสีทองแล้วมันก็จะวีดดังลัน่นพอมันวีดก็เอาใส่ปากอมแล้วก็หอได้เลยยายอธิบายเพราะลุงพ่อช้างได้ทำให้ดูกระทั่งมันวีดขึ้น ยายจำได้ติดหูติดตาตอนมันวิ่งยายทำไมไม่ล้ององมดูละครับจะได้เหาะไปเที่ยวยายไม่กล้ารอกไอ้หนูยายกลัวตกลงมาขาแข่งหักเหมือนตาแขกคนนั้นแล้วแขกลององมให้ยายดูหรือเปล่าครับเปล่รารอกแต่ยายก็เชื่อว่าถ้าหากอมแล้วจะต้องเหาะได้จริง เพราะหอป ร, รอดร้องวีดแต่แขกนั่นแกดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่หลวงพ่อช้างบอกแกดีใจที่จะได้กลับไปบ้านในป่าหิมพ า, านหลังจากนั้นอีกสามวันหลวงพ่อช้างก็บอกกับยายว่าท่านจะไปเที่ยวป่าหิมพ า, านไปส่งแขกกลับบ้าน จะไปกันตีหา้าเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นเริ่มทันก่อไปและกลับมาทันฉันเพงพอดีท่านเล่าเรื่องป่าหิมาพานตให้ยายฟังตั้งหลายวันกว่าจะจบเพราะฉะนั้นเองก็ต้องรอไปฟังวันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วประเดี๋ยวข้าวต้มสุกยายก็จะอาบน้ำอาบทา สวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระยายต้องถือศีลแปดถึงจะไม่ได้ไปนอนวัดแต่ยายก็จะทำเหมือนกับยายอยู่ที่วัดทุกประการแปลว่าเย็นนี้ผมก็ต้องกินข้าวคนเดียวหลานชายทำหน้าจ๋อยถ้าอยากมีเพื่อน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 เดี๋ยวพวกตัวตื่นในท้องผมมันก็จะพากันอาลวาดจนผมไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเอาเถอะผมกินคนเดียวก็ได้หนุ่มน้อยตัดปัญหา